หลังจากภาษานี้ไปปุ๊บก็ไปอยู่ก็สังเกตดูว่าโอ้เข้าใจเข้าใจความรู้สึกก็รู้สึกซื่อๆเนี่ยเป็นรูปแบบของการรู้สึกทางจิตแต่เรารู้ที่ไรที่ไรใจของเราเองไอ้ความซื่อๆของเราเองทุกคนนะเวลาครูบาอาจารย์บอกให้รู้ตุกตัวซื่อๆนะทุกคนจะมีความรู้สึกซื่อๆในใจของตนเองที่เป็นความรู้สึกซื่อๆที่คิดเอา ไม่ใย่เป็นความรู้สึกซื่อๆที่เกิดจากจากสภาวะความเป็นจริงนะบางครั้งเรารู้สึกเช่นตัวอย่างเช่นรู้สึกซื่อๆเหมือนกันเวลามันสบายใจมันโล่งมันโปร่งมันสบายเราก็รู้สึกซื่อๆได้ฮะเวลาเรามีอารมณ์ดีๆเราก็จะรู้สึกตัวว่าเนี่ยเรารู้สึกตัวซื่อๆได้นะแต่ว่าพรามีอารมณ์ที่มันวุ่นวายอารมณ์แย่ๆเนี่ยเรารู้สึกตัวเราคิดว่า มันต้องไปแบบเป็นอารมณ์ดีๆจริงๆเป็นรู้สึกตัวซื่อๆแต่พอมาเจออารมณ์วุ่นวายความรู้สึกซื่อๆของเราก็หายไปเพราะเราไม่เข้าใจว่าความรู้สึกซื่อๆของมันจริงๆทางจิตใจ ค, คือความรู้สึกซื่อๆที่รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนี่ก็ยากอีกเพราะในในโลกของความคิดตั้งแต่ละคนมันมีความยึด ปูกฝังไว้ในจิตเดิมๆของตนเองเสมอว่าตามความเป็นจริงของฉันแต่ความเป็นจริงของธรรมความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงของสภาวะเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ทุกคนจะมีความเป็นจริงที่ฉันมีอยู่ในใจอ่ะความเป็นจริงของฉันคือฉันชอบชอบอะไรสิ่งที่ฉันชอบชอบนั่นแหละเป็นความจริงสิ่งที่ไม่ชอบเป็นความไม่จริงอันนี้เฉพาะตัวนะที่เคยเข้าใจ ในความรู้สึกกุจอัน น, นั้นแต่พอหลังมาจากมาเฝาดูคาพฤติกรรมของมันเนะียเข้าใจเขาว่าซื่อๆซื่อๆคือรู้ตามความเป็นจริงตับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นหลักมันก็จเริ่มเห็นการพัฒนาได้ดีขึ้นนะเช่นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่กับหลวงพ่อมานานนะก็มีหลายครั้งบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่ อาจจะโล่งล้อรรมกำเกินนะไม่ใช่ด้ยวยทางกายทางวาจาแต่เป็นทางจิตใจก็บ้าอยู่เรื่อยนะอยู่เรื่อย <c oughs> ก็รู้าาบางครั้งมันก็เป็นบาปกรรมวิบากกรรมบางทีท่านก็บอกบ่อยๆเหมือนกันนะต้องให้รู้จักกรนะตันยะูเทศบ่อยๆแต่ใจเราก็มันมันก็ยังยังมีกิเลส อ, อยู่ก็ธรรมดานะ่ ในมุมของเราเองแต่ในโอกาสนี้ได้มาขอเข้ามาก็สิ่งใดที่ได้ได้ทำไปนะต่อหน้าี่ดีรับหลังก็ดีนะก็ดปวยกายกรรมก็ดี ว, วิญญีกรรมก็ดีวโนกรรมก็ดีนะก็อหลวงพ่อให้โอิฐกรรมให้กับผมด้วยนะก็ได้หลวงพ่อที่แหละจึงอยู่ได้นะ ท้ายที่สุดนี้ก็คงไม่มีอะไรกล่าวนะก็ขอให้ว่อมีอายุมั่นฝันยืนนะแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าหลวงพ่อขยันทางานออกหลวงพ่อท่านขยันทำอยู่แล้วนะแล้วก็มีร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งจะได้ทางานในพิศสนาต่อไปนะครับ เ, เพียงเท่านี้ครับผมอขอกราบนมัตการท่านพระอาจารย์คุยคารบอย่างสูงอันนี้ผมเองอผู้แก่อายุเป็นจิตได้มาว้พรในวันเกิดก็รู้สึกว่าพิทีปลุมอึกปลุชใจอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่อันนี้ ก็นับตั้งแต่มาอยู่กับท่านปี40ก็ะจะมาอยู่ตั้งแต่บวชนั่นแหละแต่คนเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้หลวงพ่ออ้วนเตะทะไม่ทันท่านเนาะได้ปิดตัวอยู่สามปีอ่าเอาตายเป็นตายอถ้าไม่ได้อยู่กับท่านอาจารย์มหาดีเลยก็จะสึกแต่จะสุกก็ไปอยู่กับท่านปี40 มาจนบัดนี้แหลนะก็ได้ทำอะไรต่ออะไรนะเป็นที่เชื่อถือของท่านได้หลายอย่างนะเพราะมีบารมีเป็นครูมาก่อนนะนะนะแล้วก็ติดตามท่านอยู่ไม่ขาดนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เป็นหลวงพ่อที่เดียวกว่าเฉยๆได้แล้วนะนะอยู่ในเหตุการณ์ที่เรียวกว่า บุ่นวายสับสนตลอดที่วัดคองรี่นี้นะแต่ก็เย็นได้มาสิบปีแล้วนะอยู่อย่างสงบนะและก็อยู่อย่างพัฒนานะคนเมืองนะให้เข้าสู่สัจธรรมนะและก็อาคารสถานที่ก็ออนิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปดูตอนนี้ผมทำเสร็จทุกอย่างแล้วและก็มี สนามมีลานทําใหญ่นะ แ, ลนนลแล้วก็ลานเดินลานฝึกแล้วก็ล้อมลัวไม่ให้หมาเข้าไปยุ่งแทนที่ว่าจะละ้ลอมลัวแบบอาจารย์บอกมันก็คงจะยุง่งเอาล้อมลัวคนดีกว่าผูนะ้ทีเข้าปฏิบัติแล้วอย่าไปยุ่งกับหมาก็แล้วกันตรงกัเลยเข้าไปอยู่ได้ครับเป็นวิธีการที่ดีเป็นที่เงียบตรง สุดท้ายของวัดทางทิศตะวันตกญ <c oughs> าติโยมก็เข้ามาเป็นประจำแต่ก็เลยทำหน้าที่นนี้ด้วยดีมาโดยตลอดอันนี้ก็ทำด้วยความจริงใจทำด้วยความสมัครใจศรัทธาช่วยเหลือคนเมืองที่เขามีปัญหาก็รู้สึกว่าทำได้ดีทำได้ดีมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรม รู้สึกว่าจะมากกว่ า, ามากกว่าวัดอื่นๆนะจนทำอะไรต่ออะไรได้มดุดนเะต็มตาวนะันพระวันเช้ า, ชาตอนเย็นนะเนี่ยอันนี้ก็ลูกชิตอาจารย์ท่านทำได้ดีตอนนีนะ้เพราะเราทำสม่ำเสมอแล้วก็แก้ปัญหาของคนที่เขาเข้าใจผิดหรือ ปัญญาไม่ถึงได้อย่างดีและก็ลบล้างเชื่อถือควาเก่าๆของเขาถึงการเจิมรถเจิมบ้านหรือการทำอะไรต่างๆก็ให้เหตุให้ผลเขาและเขาก็เข้าใจอันนี้ก็เลยทำให้เรามีความเชื่อถือในเรื่องเหล่านี้ว่าหลวงพ่อนี่ท่านอสอนให้เราฉลาดอสอนให้เราฉลาด ก็น่าสงสารเขาบนเมืองเนี่ยมาอะไรโยมมาขอน้ามหลวงพอ่อเอาไปทำไมท่านบอกให้ไปขอน้ามเก้าวัดมาทำน้ำมนต์ถูน่าสงสารแท้ๆเนี่ยค <c oughs> ออนก่อนโน่นบอกมาอะไรจะไปข อ, อจุดธูปเทียนหน้าพระประธานทำไมล่ะ ท่านบอกให้มาไหว้พระเก้าวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยมีแต่เก้าวัดเกาวัดเราก็เลยไม่ให้เขาไปหรอก็อธิบายเขาฟังอเนี่ยก็เขาก็เข้าใจูเนี่ยเดานเนี่ยแก้ปัญหาได้อ่าให้เขาได้เข้าใจเรื่องชีวิตแล้วก็ทําให้เราอ่าเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างแก่คนเมืองจากนั้นก็ สู้ต่อไปแต่ว่าลูกน้องเนี่ยที่จะติดตามาผัดเปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่มีเลยจะทํำยังไงมีะต่สิกมีแต่กที่ติดตามมา น, นี้ก็เป็นบัณฑิตสามคนเขาจ ะ, ะมากราบท่านพระอาจารย์แล้วก็จะกราบบ้านแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็จะจิกไปรับงานไปทําตามหน้าที่ ก็เขาอยู่ด้อย่างดีปฏิบัติธรรมโดยตลอด mm. และก็บทีนาสรนเสริญที่เขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรของเขาได้และเข้าใจถูกในตรสนาขึ้นวัดคงรี่เป็นวัดที่ได้เปลี่ยนพระที่บวชใหม่อริยสั้นทางคงรี่รับสอนให้ปึกให้ ตลอด15วันเจ็ดวันก็รู้สึกว่ามีญาติโยมเอาลูกเอาหลานมาฝากเป็นประจำไปให้เขาไปนั่งดูโทรทัศน์หรือคอยเวลาสิกอยู่เพราะเห็นเขาบวชแล้วมันชิ้นเปลืองมากเหลือเกินเราก็ได้รับคำนิยมจากชาวชาวบ้านเขาแล้วก็ ก, การบวชก็บวชให้เขาง่ายๆเอาลูกเขามา บอกอรปชาไว้พี่น้องมีเท่าไหร่เอามาไม่ต้องมากเอาหน้าโกนหัวตอนเช้าคนหัวตอนเช้าจะได้กรนุ่งหุ่มเป็นชีกราบพ่อแม่เสร็จแล้วหันข้าวเสร็จก็พาไปบวชขนาดลูกคนมีเงินมาเฮ็ดไงแต่หลวงปู่มาเฮ็ดไงแท้เพราว่าอย่างนี้ อาตมาก็เลยบอกสมัยพุทธเจ้าง่ายกว่านี้อีกโยมง่ายง่ายกว่านี้อีกเป็นได้เพียงกล่าววาจาตอนนั้นแหละก็เป็นพระได้ อ, อตอนนี้มันยังมีอุปจุงประชาภายหลังนี่เนี่ยบวชลูกบวชหลานต้องทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขานิยมมาทําอย่างนี้หลายคนแล้วก็ทุกปออีอันนี้ก็เป็นการช่วยสังคมที่เขาพุ่มเพื่อยมีเงินมีทองแล้วก็ บ อ, บ, อบอดลวดบอดหลานไม่ได้และอุปรกรณ์ต่างๆเราก็มีให้เขามีบาทมีอะไรไม่ต้องไปเชื้อเช็คนี่อันนี้ก็ทําให้เขาได้บวชมากขึ้นและก็อยู่กับเราปฏิบัติถึงเจ็ดวันสิบห้าวันหกกลับไปอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่กล่าวมาแล้วลก็ไม่ทําให้เสียอาจารย์ไม่ทําในเจียอาจารย์แ ล, ล้วก็รัวรอบขอบทิศเนี่ยสองสะอาดทุกอย่าง ตอนนี้ก็ลมลื่นนี่ก็คือทำงานด้วยความจริงใจด้วยความรักนะแล้วก็ทุ่มเทสำหรับสุขภาพนะอาจารย์ก็มองดูหลวงปู่อยู่ตลอดเพราะเป็นคนแก่ตอนนี้ก็อายุแปดสิบเจ็ดปีออกพรรษานี่แปดสิบเจ็ดเนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแนะม้แต่ตรวจมลก็ เสียงก็ยังดีอยู่ไม่มีสั่นลงสเลดแล้วก็นอนหลับดีเพราะจิตมันไม่ไปยุ่งกับการกับงานที่กําลังทําหรือกําลังก่อสร้างหรือเงินทองที่จะหามีเท่าไรก็ทําเท่านั้นมันก็จิตของมัน อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ า, าเราตั้งใจไว้ถูกตั้งกายไว้ถูกและทําหน้าที่ถูกมันก็เลยทําให้เรา อ, อยู่ในสังคมที่จอแจ แต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่ากลัวจะต้านทานกระแสของสังคมที่ไม่ปฏิบัติเข้ามาในวัดผู้ที่อยู่ในวัดพระก็ดีรวมที่มาปฏิบัติก็ดี้ตอนปฏิบัติดี ด, ดีพอออกไปฉลาจานั้นแหละเป็นชาวบ้านไปเลยเออทาไงจะแก้ตรปัญหาตรงนี้ได้ พราะเขาชาวบ้านเข้ามาแต่เขาก็มาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอนะ้เจวนี้ก็ไปคุยแต่เขาเจาะแต่แรกก่อนพอเขาไปมาปฏิบั ต, ติมันก็เลยไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก็ไม่ก้าวหน้าเอา้าปล่อยไว้ก่อนจะทํายังไงวัดเราเป็นวัดกระเทยวัดชาวบ้านครึ่งหนึ่งมันปฏิบัติครึ่งหนึ่งเนีฉันะก็เลยปล่อยไปพออยู่ได้ก็เาละนะใครจะทําต่อก็ทําอายุ เราก็มากแล้วเราทำแค่นี้แหละทำได้แค่นี้ก็เลยทำไปเ็ารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ญาติโยมได้อ่ามาหาความแสงสว่างกับมาวัดได้อย่างดีตอนเช้าก็ที่แจ้งทุกวันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่นำมาไใช้ในชีวิตของตนแต่คำกล่าวของพุทธเจ้าที่สำคัญเช่นการเกิดมนุษย์เป็นเรื่องยาก อันนี้ก็ได้พูดบ่อยๆท่านเขาเห็นความสําคัญดะงนั้นการทํางานที่ได้รับกายทอดมาจากท่านอาจารย์ก็ได้ทําต่อเนื่องมาอย่างเต็มที่ดั น, นั้นการจะทําต่อไปสําหรับวันนี้ดีใจ ท, ที่ได้ได้รับข่าวจากอาจารย์ลงศิลปว่ามันเกิดของพระอาจารย์ไม่รู้ว่าท่านเกิดวันนี้ท่นท่านหกิห้า ต้องมาแปดสิบห้าก็เป็นพี่กันยี่สิบปีรุ่นเดียวกับแม่ของท่านนะปีปีเดียวกันปีแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดิบเจ็ดออกพรรษานี่แหล ะ, ะก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เค็บไม่ใครไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะดูแลตั้งกายของเราด้วยกายบำบัดใครเป็นอะไรมาหาได้เลย ปวดเอวปวดขาอ่อนแข้งอ่อนหรือปวดหัวตัวร้อนลงตูมีวิธีการ แ, กแต่ก่อนเคยมาอยู่ที่แปร่แขงเทียนอาจารย์ท่านก็ยังไม่มีอะไรหรอกอก็เป็นหงพูดที่เข้ม แ, แข็งตลอดท่านก็ถามว่าหลวงพอ่อเป็นไงล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยเพราะาเราอะไรล่ะไม่ให้ใครเห็นทำทาการบำบัดตั้งแต่ตอนดึกดง ก่อนสวดมนต์ให้ก่อนสวดมนต์ก่อนจะลุกมาสวดมนต์กับพระหนุ่มๆ ห, หรือจะเดินไปไหนนี่จะต้องทำตั้งแต่ก่อนพิดตัวเจ้าของไว้จะขึ้นเขาลุงหิวตรงไหนก็ตามนะต่อมาเราก็เลยกลายเป็นหลวงพ่อที่มีวิชาเกี่ยวกับกายบำบัดหมอไม่ต้องหาไม่ต้องไปเห็นหน้ากันหมอนะนะฉันรักษาของฉันเองนะยาก็ไม่กินนะยาก็ไม่กิน ก็เป็นการรักษ า, าทีวิตของเราตามธรรมชาติเนะีกายมันก็เป็นหมอของมันเองนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องใจใจมันก็ต้องเป็นหมอของมันเหมือนกันเราต้องมีสติความรู้จึกตัวนั่นแหละที่ทําไว้บยไม่ขาดจนเป็นนิสัยจนเป็นสิ่งชีวิตของเราอีกที่สําคัญที่สุดสําหรักวันนี้เป็นวันเกิดของท่านพระอาจารย์กระตรงเชื่อใจ ลูกติที่แก่ๆคนนี้ว่าใช้ไปไหนก็ได้เดี๋ยวนี้และก็ดูแลช่วยเหลือวัดท้ำแฉงเทียนอยู่ตลอดเวลามีเงินมีทองก็อะไรก็ไปช่วยกันทาตรงทําทางตอนนี้ก็กำลังทํร้านทําใหญ่เท่าั บ, บัติมานี่แหละแต่ไม่ไม่ใหญ่เท่าหรอกวัดที่มันน้อยก็เลยโทรไปบอกกันจะช่วยมุงสังสีล็อกมา ง, งั้นหรอหรือจะช่วย ดัดเล็กให้ดอกว่างั้นนะคะไรคงใชไม่ได้มาก็เพราะเรื่องนี้แหละอันนี้ก็เป็นวัดที่อาตมาว่าจะตายอยู่ตรงนี้แหละวัดจะทำแสงเทียนนี่แหละที่อาจารย์พาไปเนี่ยอาจารย์ไปไปอยู่มีน้ําตกมีอะไรหลายอย่างถ้าคุติเอาไว้อดีอาจารย์ชยาจะไปนอกเนี่ยอาจารย์ชยากับอาตมาเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอา จ, จารย์ก็ว่าเรื่อย หลวงพ่อไปเฝ้าวัดแพร่แสงเทียนใจจันไปทยาไปนอกหลวงพ่อขปฏบตบธรรมอยู่ที่เขาจะเมาที่จันตอถินไปอยู่เนี่ยได้สิบวันอุ้ยเจได้ยเจ๊ด้ทางเดินทําอย่างดีเลยก็เลยมาที่ทํามามาที่แพร่แสงเทียนก็ามาเห็นของเก่าเห็นต้นไม้ที่เคยรดน้ําเห็นศาลาที่เคยนอนอตอนนี้ รู้สึกว่ามาอยู่ข้างหน้าจะหมดข้างหลังก็เลยปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเช้านี่เตีนดูหมดแล้วนะแล้วก็ไปเห็นโบสถ์ที่สร้างนั้นสวยมากแล้วก็เป็นไม้เป็นสัญลักษณ์ของทางเหนือของเราสาทุกข์กับวัด อ, อันนี้ก็เรียกว่ า, าผ่านชีวิตม า, อาตอนนี้ก็มาเจอการใช้ยาญีหละนะไปจะอยู่ถ้ำแสงเทียน ที่เป็นที่ตายตรงนี้แหละท่านก็ไปเ้าให้เฝ้ามาเฝ้าวัดจะไปนอกไปหาเงินมาสร้างสลาให้เรากับท่านก็อาศัยกันและกันในการธรรมะในการแนะนำเราก็ถือท่านเป็นพร ะ, ะที่เป็นอาจารย์คุณลูกแต่ว่าเป็นอาจารย์เราเป็นหลวงพ่อที่ว่านอนสอนง่ายและแล้วก็ไม่คุณแรงอะไรที่ไหนก็ทัทราบท่านอยู่ท่านขอร้องให้ไปอยู่ที่วัดคลองรี่ โอ้เสียดายกลับไปพอจิ้นพอออกจากอ่าพอจบรรษาแล้วก็ไปที่ที่เดิมอีกอื้าวพอจะเข้าบรรษาโดมไปรับอีกแหละท่านไม่มาหรอกตั้งให้ไปรับหลวงพ่อมาอีกอ้าวไอเราเป็นคนว่าง่ายแล้วกว็พอช่วยท่านได้ก็ช่วยไปแต่จ ะ, จะว่าไม่ช่วยกัน ก็เลยกลับมาที่คองลี่อีกในยี่สุดต่อมาก็ยิงข่าวว่าทำศึกต่อมาก็เลยบอกโอ้เรานี่ไม่ได้กลับทําแเงเทียนแล้วนะก็คงจะเดินทางต่อไปเป็นเจ้าเงาวัดอายุก็มากตั้องอาเภอท่านก็ทำให้เพราะเป็นคนมีความสามารถดูวัดดูวาแล้วท่านพอใจ ห้าปีต่อมาเป็นท่านก็บอกไปเอาพระครูหลวงพ่อไปเอาพระครูวันนี้จะขาดนะจะเสนอเป็นพระครูให้ก็ไปเสนอเป็นขอพระครูให้ก็ไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครแข่งในที่ตุดเราก็เดยเป็นพระครนะูพระครูมงคลชัยธรรม้อชอบชอบสื่อชอบชื่ออยู่พอดีพอดี พอจะเป็นชื่ออื่นก็เลยลนะมงคลชัยธรรมท่านกัหลวงพ่อสงวนวันตะตโตสจาวาดวัดคงรีพระครูมงคลชัยธรรมอันนี้ก็เป็นควงก้าวหน้าที่รายงานให้อาจารย์ทราบและจะกล่าวผู้สัครอาจาย์อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าทิ้งพวกผมนานนักอาจารย์กษินท่านกัว้าเวอาจารย์ดวงจิ๋นท่านกําลังก้าวหน้าและหลายหลายคน อาจารย์ไปเมืองนอกเงียบเงียบเงียบผมก็เหมือนกันเมื่อไรจะมาพงเอ้ยอาจารย์มาแล้วยังต่อวันี้ให้แบ่งเวลาให้ผมจักปีละหกเดือนปีละหกเดือนอีกหกเดือนนั้นถวายต่างประเทศไปเลยจะอยู่ตรงไหนก็นอยู่นะอันนี้ก็สังเกต ด, นะดูจากคุยกันปรึกษากัน ก็ขอเวลาอาจารย์หรืออาจารย์จะไปประเทศน้อยกว่าให้ผมก้าเดือนไปอยู่น <affinity> ู่นสามเดือนก็ขออนุโมทนาสาธุครับถ้าไม่นท่านผมหนีวัดหบดอาจารย์จะลําบากนะครับสาธุครับขอใย์อายุยืนยืนอย่างผมหรือว่าหน้าของผมดีนะครับสาธุอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะอยากจะพูดว่าทําดีก็ทําชั่วจะเอาตัวไหน ไม่มีใครคิดได้ทำให้ตัวเราเองคือทำตัวเราเองให้ดีขึ้นจึงจะได้ฉะนั้นหลวงพ่อมาที่ทำให้อัตมาหรือก็ผมเกิดขึ้นในพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นกุศลของอัตมา กับรุวงพ่อที่ได้ร่วมกันผมก็มีใจพิตินดีชิดถึงท่านอยู่ตลอดการเกิดในพุทธศาสนานี่็ตลองพอหาท่านหลวงปู่หลวงปู่ให้ส่งข่าวมาหาอาจารย์อักสินอาจารย์อักสินท่านก็ไปยังไม่ได้ทําบุญท่านก็กลับจะหาไหมกับญาติโยม ทุกคนตลอดไปครับผม <c oughs> นรัตรการสวยายถวายความกรุบหลวงพ่อมหาซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาจารย์ด้วยความกรบอย่างสูงยิ่งพอเจริญพรไปทางญาติโยมสำหรับตัวของกระผมเองแรกๆปีแรกตั้งใจก็คือหลังจากที่เราบวชเข้ามาแล้วอุปชาผู้ให้บวชแล้ว เราก็คิดว่าอุปชาผู้ให้บวชนี้คงจะให้คาตอบแกพุมรจันท์เราไม่ได้ในความตั้งใจเราไม่ใช่แบบนั้นหลังจากนั้นก็พยายามบมเพ็ญตัวเองด้วยการไหวพระสวดมนต์ตามประษาพระบ้านแล้วในใจหนึ่งก็ได้ตั้งความปฏิฐานไว้ว่า สักวันหนึ่งขอมีโอกาสได้รู้จักพระที่พอจะเป็นอาจารย์เราได้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งพรรษาผ่านไปแล้วก็พอเข้าปีหนึ่งผ่านไปก็เริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้แรงอธิษฐานในระหว่างนั้นมันเป็นจริงก็จนเมื่อมีโอกาสได้มารู้จัก หลวงพอ่อมหาที่เราได้ไปร่วมงานปฏิบัติธรรมในงานที่สองแล้วก็หลังจากที่ได้ใช้เวลาในเบื้องต้นของงานเราก็ได้สัมผัสถึงความเอาใจใส่ความดูแลอย่างใกล้ชิดความเป็นผู้ที่ไม่ห่างนักปฏิบัติใน ด, ดูแลพระที่ร่วมปฏิบัติใหม่ เราก็าเป็นหนึ่งในกลุ่มพระที่หลวงพ่อมาท่านได้ดูแลก็จนไม่มีโอกาสได้รู้จักวิธีการได้เข้าถึงการปฏิบัติยังไงที่มันทำได้ต่อเนื่องทำแล้วมันไม่เบื่อทำแล้วมันมีอุบายในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติซึ่งในข่าวครั้งนั้นก็มันมีคำตอบขึ้นทุกอย่าง ทั้งในรูปแบบการปฏิบัติแล้วที่สำคัญก็คือว่าความที่เราต้องการอาจารย์ที่จะให้คำตอบแก่เรามันก็ได้ได้เริ่มมีเขาหลางๆขึ้นตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วก็จนได้มีโอกาสได้ร่วมงานเจริญสติในคราวนั้นวันหนึ่งที่ดีใจที่สุดก็คือว่า หลังจากที่ปฏิบัติธรรมเสร็จประมาณช่วงบ่ายหลังจากเลิกแยกแยะ ก, กันไปพักส่งน้ําของพระที่เข้าปฏิบัติธรรมที่มีหลวงพ่อท่านเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านเรียกเราเข้าไปหาส่วนตัวแล้วก็ท่านก็ยื่นผ้าจีวรสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีสายป่าตอนนั้นเราเป็นพระบ้านเป็นพระใหม่พรรษาแรกท่านจะเยินผ้าจีวรให้บอกให้ไปเปลี่ยนผ้าสีใหม่ ความรู้สึกมันมีความอบอุ่นในขณะที่เราได้รับสิ่งที่เป็นวัตถุจากผู้ที่เราให้ความเคารพแล้วก็ยิ่งได้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ในการฝึกมาสองสามวันก่อนหน้านี้มันก็เป็นการเพิ่มอะไรที่เป็นเรื่องทางจิตใจขึ้นก็จนจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ความเป็นอาจารย์ในเบื้องต้นก็คอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนนับถือเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเรียกท่านอาจารย์สักครั้งเดียวพอหลังจากที่เราเห็นว่าอาจารย์ที่เราเคยอยา ก, กได้เนี่ยมันยิ่งกว่าอาจารย์อีกก็เลยเรียกลงพ่อมาตลอดตั้งแต่นน้นมาก็ใช้เวลาในช่วงโครงการต้องติดตามท่าน ในความรู้สึกใหม่ๆก็ไม่ต่างจากผ้าจางกระสินเพราะพรรษาแรกที่ตามหลวงพ่อขึ้นมาก็ปีนั้นหลวงพ่อก็ไปจำพรรษาที่ต่างประเทศก็ได้ผ้าจางกระสินเป็นผู้ที่ดูแลอยู่แทนหลวงพ่อที่วัดยามในที่หลวงพ่อไปก็ก็มีลุ่นพี่คอยดูแลถ้าตอนไหนที่ทราบว่าหลวงพ่อจะกลับมาที่เมืองไทยท่านกลับมาเราเห็นเราก็ดีใจ พอที่ใจสักพักหนึ่งท่านก็พาทำนั้นทำนี้แล้วต่อมาก็เริ่มมีความว้าเวมีความเหงาในบางอารมณ์เพราะบางทีการปฏิบัตินี้เราก็ถ้าลองเาได้มีความศรัทธาในผู้ใดแล้วเวลาปฏิบัติเราจะไม่กลัวไม่กลัวผิดไม่กลัวหลง ไม่กลัวต่อสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมเนีเพราะเรามีผู้ที่เรามีความเคารพอยู่ใกล้ในการดูแลเราแต่พอห่างบ้างมันก็มีความรู้สึกนี้มาแทนที่ความอุปุูแต่ส่วนหนึ่งก็มีความเข้าใจว่าบันทีอาจจะเป็นอุบายในการสอนให้เราไม่ต้องติดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากเกินไป พอสักวันหนึ่งแล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้พึ่งพาตัวเองก็โดยการเข้าใจแบบนี้ก็อยู่กับอาจารย์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ท่านคอยดูแลเรามาเรื่อยๆก็หลังจากนั้นในความทีเ่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ทดลองจนมันเกิดเป็น ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วความรู้ที่มได้จากการปฏิบัตินี้มันมันยิ่งคือเป็นความมั่นใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามากมายโดยที่อาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะนําในเบื้องต้นพอจริงๆแล้วจึงมาเข้าใจว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการคือไม่ต้องการให้เราอ่อนแอต้องการให้เรามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวเพื่อจะเข้าไปถึงที่พึ่งแท้จริง พอท่าที่พึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์นี้ท่านก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอดท่านมีการมีงานมีหน้าที่จะต้องไปทําไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ได้ดังที่เราต้องการเสมอแต่พอหลังจากที่เราได้ปฏิบัติจนมันมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจนไปถึงสิ่งที่คงจะเป็นเป้าหมายที่ครูบาอาจารย์ต้องการให้เราเข้าถึงก็คือผลของการปฏิบัติ พอผลองการปฏิบัติแล้วตามเกิดความมั่นใจสติสมาธิปัญญาญยัางไม่เกิดสัมผัสพอมันสัมผัสแล้วก็จะเห็นอเนสงของการสัมผัสในอาการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตัวเราเองว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแก่เราได้จึงเป็นการแก้ปัญหาในความรู้สึกว่าเวก่อนต้นได้ระดับหนึ่ง ยังยังมีที่จะอยู่ใกล้ชิดกับกับหลวงพ่ออยู่บางบางครั้งบางข่าวมันได้ไม่ต่อเนื่องในจุดนี้เองก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องคอยปกป้องแล้วพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดยังไงคิดว่าในการเลี้ยงลูกพ่อแม่ก็ต้องการว่าสักวันหนึ่งต้องการลูกโต ไม่อยากให้เป็นลูกที่อ่อนแอต้องตามหลังพ่อแม่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้ก็ตามที่ลูกพึ่งพาตัวเองได้พ่อแม่เพียงแค่เป็นผู้ดูอยู่ห่างนี้คงจะเป็นความต้องการของพ่อแม่ในในความรู้สึกนะจึงพยายามที่จะอยู่แบบพึ่งพาตัวเองดังนั้นมีบางอย่างที่เราอาจจะดูใช้ความโลดโผลอะไรมากเกินไปก็มีบางช่วงที่ผ่า น, านมา อย่างเช่นเรายัางมีอายุภันสามไม่มากแล้วเราต้องไปผเผชิญกับเรื่องที่มันเกินความสามารถตัวเองถ้าเทียบกุบอาจารย์ในรุ่นแรกๆมานี้น่าจะเป็นผมที่ค่อนข้างที่จะมีความดื้อเป็นบางโอกาสถ้าดื้อก็ดื้อมากพอาจารย์ท่านใช้เวลาอยู่กับหลวงพอ่อเป็นสิบกว่าปีทั้งก็ยังนิ่งอยู่ยังไม่คิดว่าจะไปในมาไหน แต่ผมเองในแค่พนรนสายเจ็ดออกแล้วพนรนสายเจ็ดผ่านแล้วก็เริ่มออกจากครูบาอาจารย์ไปไปอยู่ที่ที่เราต้องไปอะไรเองทุกอย่าง น, น, นั้นช่วงในการไปอยู่ที่นั่นจึงจึงเห็นว่าสาเหตุหนึ่งที่มีก็คือจุดเนี้จุดที่เวลาไม่มีท่านแต่เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในบางอย่างในการเป็นอยู่แบบนี้ได้เวลาสิบสองปีที่ออกจากหลวงพ่อไปไปอยู่คนเดียวในสิบสองปีนี้จะมีบางครั้งที่ท่านไปเยี่ยมไปค้างด้วยไปเยี่ยมเป็นบางครั้งบางคราวแต่สิบสองปีนี้นับว่าเป็นสิบสองปีที่ราวาใส่เจ็ดปีที่มาอยู่กับครูบาอาจารย์ เราใช้เวลาอยู่12ปีในการไปพิสูจน์ในการไปพิสูจน์นั้นจึงเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราควรจะระลึกนึกถึงประจำก็คือความเป็นผู้ที่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้ให้วิชาความรู้ในส่วนนี้ในเบื้องต้นถ้าเราขาดจุดการได้รับนิสัยจากครูบาอาจารย์ในจุดนั้นแล้วเราเราคงฝ่าวิกฤตอะไรมาไม่ได้ แต่พราะความรู้ที่ได้จากความเป็นครูที่ท่านถ่ายทอดให้เราจรึงได้อาศัยเจ็บเล็กเจ็บน้อยจากจุดนั้นมาจนจนผ่านพ้อนอะไรมาได้ถามว่าตั้งแต่ออกจากครูบาอาจารย์ไปนี้ถ้าพูดถึงเรื่องภาย น, อ, นอกๆนี่มันเหมือนอกับประสบความสาเร็จแต่ถ้าพูดถึงเรื่องในๆนี่มันเหมือนกับเรา อย่างมีอะไรที่ต้องการต้องทําเยอะอีกอยู่อมากถ้าพูดเรื่องนอกนอกที่มองเห็นก็เหมือนกับอย่างที่เราเห็นกันแต่เป้าหมายเราไม่ใช่เพื่อจุดนั้นเป้าหมายคือตรงนั้นเป็นแค่บทพิสูจน์เฉยๆกับตัวสิ่งที่เราได้จากครูขงเราไปแต่สิ่งที่เราจะเข้าถึงมันไม่ใช่จุดนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์เป็นในตัวว่าในระหว่างที่เราอยู่กับ หลวงพ่อมาหกเจ็ดปีกับเวลาที่เราต้องไปทำงานต้องไปอยู่ในท่ามกลางต้องมีการพึ่งพาตัวเองเนี่ยจึงเป็นอ น, นิสงส์สาหรับการที่เราอยู่แบบเป็นสิทธิ์ที่มีครูถ้าเป็นสิทธิ์ที่ไม่มีครูสเสลยเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรแต่พอมีครูแล้ว ในคามเป็นครูบางครั้งนี่หลวงพ่อไม่จำเป็นต้องไปสอนเรามากเราสังเกตเอาสังเกตมุมนั้นมุมนี้ที่ท่านเป็นในส่วนไหนที่เราพอจะทำตามได้เราก็ทำตามแต่บางเรื่องเราคุยในกลุ่มลูกศิษย์ด้วยกันว่าหลวงพ่อท่านมีอะไรที่เราตามไม่ทันท่านหลายอย่างเราจรึงเลือกเอาเฉพาะตามได้บางเรื่อง ถ้าบางเรื่องที่มันนอกเหนือความรู้ความสามารถของเราเราก็ตามไม่ทันให้เป็นความรู้พิเศษของท่านเองแต่เฉพาะเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยที่พวกเราดึงมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารบริหารตัวเองบริหารคนบริหารงานมันก็มีคุณค่ามากขนาดนี้เนี่ยก็ตั้งบางทีการบริหารอารมณ์ตัวเองเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนที่มันได้จาก ความเป็นครูที่ท่านถ่ายทอดให้แก่พวกเราในกลุ่มสิทธิ์ดังนั้นถ้าจะวาดไปแล้วหน้าที่จะต้องทำต่อไปก็คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติซึ่งมันเป็นเครื่องเตือนพวกเราอยู่ในตัวว่าไม่ควรประมาทในเรื่องนี้เพราะว่าการที่ท่านพยายามที่จะไปเกือบทุกซอกทุกมุมของโลกนนะ ก็ไปเพื่อที่จะไปแนะนําสิ่งนี้นําสิ่งนี้ไปให้คนที่เขาต้องการคนที่เขาทเยอทยานอยากจะรู้สิ่งนี้ท่านก็นําสิ่งนี้ไปให้แก่เขามันกลับในครั้งที่พุทธกาลนี้ถ้าถิ่นในที่มีคนต้องการมีคนที่จะพอเข้าใจในสิ่งที่พรุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นอยู่ไกลแค่ในพพุทธเจ้าก็ไปโปรดไปโปรดเพื่อ คนที่เข้ามาในสู่ขายพยานพอจะฟังรู้เรื่องในเรื่องนี้ท่านก็จะไปปรวดบางทีเราก็มีความภูมิใจว่าอาจารย์ของเราเนี่ยมีตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นอย่างเช่นความขายันเป็นที่หนึ่งแล้วก็ความเมตตาต่อสิทธิ์ทุกคนไม่ว่าสิทธิคนนั้นจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่ว่ายังไงเตียท่านก็ยังแสดงออกอย่างเสมอเวลาเข้ามา เราก็จะมีความอบอุ่นแบบนี้ปกิดในใจของเราทุกคนนั้นถามว่าตอนนี้ผมอยู่มาได้ยี่สิบปีปีนี้ในการปฏิบัตินี้มีอะไรต้องทำต่อไหมมีแล้วทำอีกเยอะถ้าเป็นสิ่งที่ได้พึงทาไปแล้วยี่สิบปีเนี่ยมันจะเหมือนเชี่ยวเี่ยวหนึ่งของสิ่ธที่มีอะไรปริมาณมากมายเนี่ยเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากมายที่จะต้องทา นั้นการทําต่อไปก็คือเป็นการทําเพื่อเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเราแสดงว่าเราเป็นสิทธิที่มีครูไปอยู่ไหนก็ตามถึงจะไม่มีครูบาอาจารย์ตามไปแต่ตัวการการะทำเราเราก็บ่งฟ้องไปในตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นสิทธิของใครเราก็ไม่ได้ทำให้ครูบาอาจารย์ต้องต้องมาอะไรเพราะเราต้องไปทําในเรื่องที่มันเสียหาย นันจะพยายามรักษาในส่วนนี้ไว้ดันั้นวันนี้ผมในส่วนหนึ่งที่เป็นฐานะลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ได้ร่วมกับครูบาอาจารย์ทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องๆได้มาแสดงออกทึ่เป็นสัญลักษณ์ที่สิลพึงทาต่ออาจารย์ก็ได้ทำการทำให้เทําเพียงแค่วันนี้แล้วมันจะจบแต่วันนี้ขอทาเป็นวันเป็นกรณีพิเศษสาหรับวันนี้โดยเฉพาะ ส่วนหน้าที่ที่จะทำต่อไปนี้พวกเราจะต้องทำ ต, ต่อไปเพื่อเป็นการบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้สินี้แก่พวกเรามาดังนั้นก็ขอถือโอกาสนี้ด้วยบรารมีสิทธิ์ของสิทธิที่น้อยนิดนี้ก็ขอน้อมถวายในส่วนที่ได้บำเพ็ญมาที่เป็นบุญเป็นกุศลในส่วนที่จะมีภาร ะ, ะกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญต่อไป ขอไฮบุขอขอให้บุญบารมีธรรมที่จะพึงทํำนี้จากลูกศิษย์เองก็ข อ, อได้มอบถวายเป็นเครื่องบูชาคุณเจริงพ่อให้อันในสงในส่วนนี้จงส่งเสริมให้หลวงพ่อจงมีมีไฟแห่งการทํางานส่วนที่ท่านมีอยู่แล้วขอสิ่งนี้ที่มีอยู่ของกระผมจงเสริมส่งเสริมให้พละงกาลังที่ท่านมีอยู่แล้วให้ได้สว่างรุ่งเรืองรุ่งโรจนิยิ่งยิ่งขึ้นไป ในช่วงระยะเวลาที่หลวงพ่อได้ทำหน้าที่ในความเป็นอาจารย์แจ่พวกเรามาในท้ายนี้ก็ขอากราบบูชาหลวงพ่อ ด, ด้วยด้วยด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์ขอให้หลวงพ่อจนได้ประสบความสําเร็จของหลวงพ่อได้ได้มุ่งหวังตลอดไปก็ขอากล่าวต่อไความรบเนาโอกาสนี้ครับขอกลาบลำพักษการหลวงพ่อมหาดีเล็กผู้ ถื่เป็นผูนเ้เป็นพระอาจารย์นะฮตอนแรกที่ได้ย <c> ิน <oughs> พระอาจารย์ดวงศิลป์โทรศัพท์ไปหาก็ดีใจครับเป็นบุคคลที่เมตตาสัตว <c oughs> ์นะเมตตาชาวโลก ท, ำทำําทามิจฉิกรทำทำกรมต่อหลวงพ่อทําทามิจฉิกัรมร่วมกันเจ๊เท้าจ่ะก็ผมก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าไม่เคยได้ทําก็คิดว่าจะได้ทําเพราะว่าร่างกาย <c oughs> ร่างกายผมก็ไม่ค่อยเต็มใจ มาอย่างสุดๆแล้วครับหลวงพ่อช่วงมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอก็มีตาทุกอย่างนะครับเพราะว่ากับผมก็ไม่ค่อยสบายไม่สบายท่านก็ไปพาไปหายานะครับไปหาไปหาหมอหม อ, หมอที่เชียงใหม่หมอที่ว่าดีๆไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทั้งทั้งยาสมุนไพรท่านก็ไปหาเอามาผสมให้ไปฉัน สูตรยาอะไรที่บอกว่ามันเป็นโรคอะไร ก, ก็บอกท่านนะท่านก็ถามท่านก็มีเมตาถามห้ามันก็ดือ้อดื้อยาก็กช่วงมีช่วงทั้งกายปฏิบัติทั้งใจครับพิจิตดใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็นี่มันจะบ๊่ใครได้ครับสมมืิหนี้รู้สึกว่าถึงเวลามากอะ่ะ จะตื่นเลยครับช่วงปีสามพระไม่พระยังบวยเ ข, ข้ามาพระเจ้าก็ บ, บอกให้เอาเอ า, เอาน้าเนาะพระเจ้าจว่า <c oughs> เจ๋งไหญก็ผมก็ทําวัดเศษแล้วก็กวกไปไปกูดก็ไปปฏิบัติครับก็บเลยได้เข้าใจในพุทธศาสนาที่หลักที่คำพระพุทธเจ้าสอนเนาะเพื่อนบวชไปเสื้อเครื่องล้างของ ข, องของังเพื่อนบว้ไปเสด็จข อ, ขอช่วยสตาช่วยได้อยู่แต่ว่าช่วยได้ชัวขาดเนาะชั ว, ว ข, วขาวเนาะ กระเทศตัวโดนๆคือคือล้มไหลไปเป็นไงล่ะครับเป็นการเคลื่อนไหวท้ายนี้กับเขาไปหลวงพ่อครูบาอาจารย์แกอายุเปีมันคนยืนยูดีมิสุขจริงๆขึ้นไปก็ขอให้หลวงพ่อได้ไปตวรวจชาวโรคั่วโรค พ อ, อ, อยุใยุยันเป็นขาแล้วเสด็จเอา ใ, ใจของตัวเองออกมาได้ตามสมควรนะขออนุโมทนาญาณโยมทุกท่านที่เดินทางมาไกลกับครูบาอาจารย์ในที่ต่างๆก็ผมจะาามาได้ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะเห็นว่าเป็นชีวิตของตัวเองก็าเรามีความทุกข์มานาน เมื่อแสวงหาทางออกจากทุกได้แล้วก็คนที่เรามีทุกเราก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการที่จะออกจากทุกเหมือนกันทุกคนมันมีความทุกเมื่อ น, นึกถึงโ ห, หกเราโงเขาเขาก็มีความทุกเราก็มีความทุกแต่เมื่อเรารู้จักวิธีแก้ไขทุกได้แล้วก็อดไม่ได้ในการที่จะบอกให้คนอื่นไปเรื่อยๆหน้าที่นี้จงได้เกิดขึ้นนะ คนนั้นจะสามารถแก้ไขและความทุกข์ของตนเองได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังศรัทธาและศติปัญญาของตัวเองน้าเองจะมาก็ได้ทําผมได้ทําหน้าที่นี้มาเพื่อที่จะปลดเปลื้องตัวเองออกจากทุกข์นั่นเองแต่การที่เราได้ช่วยตนเองออกจากทุกข์เราก็ได้ช่วยคนอื่นไปในตัวเสร็จนะเหมือนกับเราขับรถ เรานำพาผู้ริษานไปพอไปถึงเป้าหมายเราก็ไปถึงพร้อมกันทําหน้าที่เป็นผู้ระครับนะฉันได้ก็ดีเวลาปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติไปด้วยก็นําพาผู้อื่นไปด้วยไปพร้อมๆกันถ้าเราไปคนเดียวแล้วหลงทางเราก็ไม่รู้ว่าหลงแต่ถ้าเราไปพร้อมๆกันเน่ะแล้วว่าอาศัยพี่รู้สองน้องรู้หึ่ต่างคนต่างรู้ทางแล้วก็แนะนํากันไป <c oughs> นั้นก็พยายามที่จะฝึกพระ ด้วยการทํางานไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยเพราะว่าจะทําให้เราได้สร้างกําลังของตัวเองถ้าหากว่าเราไปคนเดียวไม่มีคนอื่นไปด้วยไปถึงที่ข้างหน้าถ้าก็มีศึกมีภัยอะไรเราก็ไปไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเราไปด้วยกันในหลายคนเมื่ออุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเราก็ได้ยุยช่วยกันเพราะฉะนั้น การพัฒนาการปฏิบัติของหลวงพ่อมตตารรมมาก็ได้อาศัยคนอื่นช่วยหลายๆด้านและขณะเดียวกันก็ได้เชื่อมั่นใน ห, หลักการวิธีการหลวงพ่อเทียนจิตวิสุโภก็คือการเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดกระดูหลักอนิมาตลอดเมื่อออกจากหลวงพ่อเทียนก็ไปฝึกกับลูกศิษย์ แลดับต้นๆหลวงพ่อเทียนไปเรื่อยๆจนหายสงสัยออกจากหลวงพ่อมเทียนก็ไปหาหลวงพ่อคำเขียนออกจากคำเขียนก็ไปหาหลวงพ่อทองจากหลวงพ่อทองไปหาหลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็พระครูอาจารย์ในรุ่นใกล้เคียงกันไปศึกษาจากท่านแล้วก็เราก็มานั่งตั้งใจทำของเราเองอจนกระทั่งแก้ไขปัญหาและความทุกข์ได้ตามลาดับมาอยู่ต่อมาเมื่อพระ ท่านเข้มแข็งดีแล้วก็ช่วยกันเป็นมือเป็นไม้ในการทาในเมืองไทยก็เห็นว่าในเมืองไทยคนก็ เ, เรียกว่าศึกษาแนวนี้กันมากขึ้นแต่ต่างประเทศมีน้อยมากพยายามที่จะเดินเรื่องเอาพระไปช่วยทางด้านนู้นก็ปรากฏว่าถูกกระแสของวัตถุนิยมเอาไปเกือบหมดนะเพราะว่ามันแรงมากแต่ใครก็ตามพราก็ผ่านจาก กระแสวัตถุนิยมตรงนั้นมาได้ก็ถือว่าเข้มแข็งที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องอดูแลทั้งสองที่ทั้งตะวันตกด้วยทั้งตะวันออกด้วยซึ่งมีพระสง์หลายรูปที่ไปเผยแพร่กรรมาฐานในเมริกาแล้วก็มีอันเป็นไปในข้างหน้าแล้วก็ลืมเมืองไทยแต่ตะมาก็ไม่ลืมเพราะว่านี่เป็นบ้านแผ่นดินทิ่เกิดของของเรานะ น, นั่นเองก็เลยว่าท่านทั้งหลายถามพระท่านว่าจะวันนี้จะกลับเลยหรือว่าจะค้างด้วยกันถ้าค้างด้วยกันก็จะมีช่วงที่สองตรงที่หลังทวัดเย็นเราก็จะได้คุยกันต่อแต่ถ้าหากว่าเราจะว่ารวดนี้ไปตลอดสาหรับคนที่จะเดินถึงทางไกลก็จะลำบากดังนั้นก็อเอาไว้ในจุดนี้ไว้พักหนึ่งก่อน แล้วถ้าหากท่านใดอยู่ต่อไปตอนเย็นก็เราก็ได้ปฏิบัติและได้แบ่งปันกันต่อไปตั้งแต่ช่วงตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้วไปถึงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มรวมกัชบชาบ้านด้วยอนนันช่วงแรกนี้สําหรับผู้เดินทางไกลก็ อ, อาจจะไปถึงจุดหมายปลายทางลําบากก็จึงตัดช่วงนี้เอาไว้แต่อยากจะนิมนต์ทุกท่านได้อยู่ร่วมกันอีกคืนหนึ่งเพราะไหนไหนมาไกลแล้วก็เราก็จะได้ ภากไวในตัวแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ดีแก่กันให้ครบถ้วนแต่เราถึงญาติโยมด้วยเช่นกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของทุกท่านที่ได้มาในวันนี้ซึ่งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจและที่ไกลที่ใกล้ก็ตามสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้ประมาทล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีกระผมรัตามาภาพก็ ได้ให้อโหสิกรรมจะได้เป็นกรรมเป็นเวรขวางกั้นต่อทางมรรคผลที่ท่านทั้งหลายได้มาขอขมาหรือได้มาทำสามิจกรรมแ่านี้จงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยได้ในคาสอนของพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายก็จงพัฒนาศรัทธาและปัญญาของตนเองได้มากขึ้น วยสามารถนำเอาคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีการองพระเทียนไปพัฒนาจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งสามารถต่อสู้ปัญหาและปัจษัของชีวิตนะคือนะเกิดจากอาวิชชาตัญหาผ่ธธานกรรมนะด้วยการทุกคนทุกท่านคือคก่อนอื่นก็ก่อนที่จะกล่าวนำถาวายพุานะครับวันนี้ก็ ก็ในานามของคณะกรรม ก, การวัดประธาแสงเทียนนะครับก็ขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านนะที่ได้มางานาครบรอบวันเกิดหลวงพ่อ65ปีในวันนี้ก็ปกติปกติทุกปีผมก็ไม่ค่อยได้อยู่นะปีนี้ได้อยู่นะแล้วเมื่อกี้ไปธุระในเมืองขอโทษที่มาช้านิดรถติด คื อ, อที่ที่วัดดอยแห่งนี้เนี่ยนะก็มีงานก่อสร้างที่ค้างอยู่หลายหลายรายการนะฮะก็มีทั้งเรื่องของกุฏิที่รับรองซึ่งจะไว้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการรับญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมรวมทั้งพระสงฆ์นะฮะแล้วก็ในส่วนที่ท่านดขวามือนี่ก็จะเป็นพิจิภัณฑ์หลวงปู่เทียนนะครับอันนี้ก็ จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรักษารูปแบบนะวิธีการของหลวงพ่อเทียนไว้ให้นานที่สุดนะให้ชนรุ่นหลังได้ได้มาพบแล้วก็ได้นําไปปฏิบัติสืบต่อกันไปนะฮะเพราะว่าคือถ้าไม่มีสมมุติไว้เนะี่ยไม่มีหลักฐานอะไรไว้เลยนะียคนรุ่นหลังที่จะมาปฏิบัติต่อมันจะหายากนั้นครูบาอาจารย์ที่ปัจจุบันก็เหลือน้อยนะ อายุมากทัานก็มรณภาพไปหลายองค์งั้นถ้าไม่ทําเรื่องคงนี้ไว้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอไรเวลาจะค้นคว้าย้อนหลังย้อนไปย้อนมาคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมันจะต้องมีหลักฐานมีอะไรที่ปรากฏในการสืบต่อนะฮะงั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษา วิธีการของหลวงพ่อเทียนไวนใ้ให้นานที่สุดใ น, นด้านนี้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังจะต้องมีการพัฒนาต่อก็คือในในส่วนของพิธพันธ์นี้ต้องปรับปรุงเรื่องของอคำสอนของหลวงพ่อเทียนแล้วก็เอกสารพวกซีดีหนังสือ สายงานของคุณบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียนทั้งหมดอ่ะนะก็จะเอามารวบรวมไว้ในพิธภัณฑ์นะเอาไว้ให้คนได้มาสืบค้นะศึกษาปฏิบัติกันนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะแล้วก็ในส่วนของวัดก็จะมีมูลนิธินะตอนนี้ได้ดําเนินการขอจดทะเบียนที่ที่ว่าการอํเาเภอไปแล้วยื่นเอกสารไปแล้วก็เป็นมูลนิธิพุทธยานันทัภพิขุ นะครับก็ถ้าเจตนาของการตั้งมูลนิธิก็เพื่อที่จะใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็ธนุบำรุงนะพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของญาติโยมของพระนะแล้วก็เรื่องของการศึกษาให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะที่ด้ยโอกาสรวมถึงผู้สูงอายนะนั้น กองทุนมูลนิธิพุทธยานิเ น, นี่ก็จะจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของอยังพิมพ์หนังสืออย่างเงี้ยฮะซึ่งต้องใช้ต้นทุนเยอะนะพิมพ์หนังสือสวดมนต์หนังสือคำสอนในสายงานของหลวงพ่อเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อไปบรรยายธรรมทั่วโลกนะละมีการบันทึกถอดเทปนะมีทีมงานถอดเทป คำสอนทั้งหลายยี่สิบสาสิปีมาเนี่ยก็ตามเก็บเพื่อที่จะเอามาประมวลเรียบเรียงแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือนะอันนี้ก็เป็นงานของมู ล, ลนิธนะิที่ได้วางเป้าหมายไว้นะนนามผมผมเองก็ผมเป็นผลแรกก็เป็นประธานมูลนิธิให้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่นะฉะนั้นก็เรียนให้ท่านทุกท่านไ ด, ได้ทราบถึงกิจการหรือ ภาระหน้าที่ของวัดพระธาตุแสงเทียนรวมถึงในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาในสายงานของหลวงพ่เทียนนะฮะซึ่งหลวงพ่อเองท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยนะไม่เคยได้อยู่แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามอยู่ไม่อยู่ก็เหมือนอยู่น ะ, นะะสําหรับผมผมคิดว่าหลวงพ่อจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามนะะก็คุยกับหลวงพ่อได้หมดอะ นะมีทั้ง l ล n e มีทั้งอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะเพราะฉะั้นบางทีเราใช้สื่อสารเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ก็ใช้ได้นะเหมือนเวลาเราจะฟังธรรมะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องไปวัดนะฟัง Youtube นะจะฟังหลวงพ่อองค์ไหนเนฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ทำได้นะอันนี้อันนี้คือความเจริญก้าวหน้านะในเรื่องของเทคโนโลยี ดังนั้นเพียงแต่ ว, ว่าเราเร า, เราเลือกใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ตัวเรานะอันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับนโมพร้อมกันสามรอบนโะมตัสะพระกัวโตอารหะโ ต, โตนโมตัสะพระกัวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศาสนพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ก็ค้นบธนาอีกครั้งหนึ่งว่าค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างที่เราได้รับกำลังศรัทธาจากที่ต่างๆเขามาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นที่เหมาะสาหรับนักปฏิบัติที่จะมาแวะเวียนเข้าคอร์แต่ละครั้งแต่ปัจจุบันในภาษาเนี่ยมัก็เลยจัดที่ที่แพร่เนี่ยสักถึงอยู่ที่แพร่1 0 2ถึงมันก็อยู่ที่กรุงเทพ ยีสถึงสาินี่ก็อยู่ทางเชียงใหม่บ้างตากบ้างเชียงรายบ้างวันที่ยีห้าถึงวันที่หนึ่งถึงตุลาเนี่ก็ที่ <c oughs> ที่เชียงรายเออที่เชียงใหม่นะกลับจากเทีย่ยวมาเมื่อวานก็จัดข้อตลอดเพราะเดี๋ยวนี้คนที่จะนําในทางนี้มีน้อยลงทางเมกาเองเขากลัวเราจะไม่มาพวกเขาจะไม่กลับไปอีกนะอะไรกิจการทางวัด แต่หากว่าเนี่ยเขาจะช่วยอาสาแม้ถึงสือเล่มนี้นะที่เราแจกกันนี้ก็ยันดิธรรมทางเชียโกตอนเช้าก็โทรมาบอกว่ากลุ่มยันดิธรรมเชียร์โก้มาณสิบโอคนเก็บอารมณ์ร่วมกันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเขาก็ไลน์มาเพราะฉะนั้นทางอเมริกาก็มีความเข้มแข็งไม่น้อยไม่น้อยกว่าคนทางเมืองไทยเราการจัดงานทาง อทำบุญอายุทางเมืองไทยเอามาไม่ค่อยทําเพราะว่าส่วนใหญ่เก็บตัวเองเงียบๆสักวันหนึ่งในวันเกิดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กันบำเพ็ญบุญของเราที่ได้ให้ชีวิตสืบทอดมาแล้วได้ให้สิ่งที่ดีๆกับเรามาเราก็เป็นการตอบแทนบุญคุณด้วยการภาวนาเป็นการอุทิศส่วนให้เพราะการอุทิศส่วนที่มีกําลังมากที่สุดคือการภาวนามากกว่าการให้ทานรักษาศีล การภาวานานั้นจะทำให้บันพบุตรของเราที่ตกทุกข์ได้ยากในที่ต่างๆเนี่ยได้พ้นจากอบัยภูมิแล้วก็เหมือนก็นได้ไถ่บาปแล้วก็ได้ฝากจิตวิญญาณของท่านมาให้เราเราเป็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งแต่รวมไว้ซึ่งบรนพบุตรของเราเป็นร้อยๆดวงลงเป็นพันๆดวงอยู่ในใจของเราเพราะนั้นเราทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ท่านเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ด้วยเราทําในสิ่งที่ดีเรามีความสุขท่านเหล่านั้นก็มีความสุขด้วย ถ้าเราพ้นทุกข์ท่านเราต้อก็พ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับเมล็ดพืชหรือเนือเชื้อไข่นี่มาแต่มันผู้รุนหรือเมื่อเราได้สิ่งที่ดีที่สุดก็ส่งมอบกับคืนด้วยการภาวนาอามาเองก็จะช่วยยมแม่ได้ไม่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีเรียกว่าหลังจากตัวเองเข้าใจบ้างแล้วนี่ก็มาเอามาให้ยมแม่อยู่แม่ก็เรียกว่ายังไม่คุ้นกับทางนี้ ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ยังไม่นั้นก็เลยในที่สุดก็ตัดสินใจท่านพาไปหาหลวงพ่อเทียนให้หลวงพ่อเทียนช่วยอีกแรงหนึง่งพอาะแบบกราบท่านท่านก็ถามโยมแม่ทันทีว่าโยมในชีวิตของโยมรักใครมากที่สุดโบรักลูกมากที่สุดถ้ารักลูกจริงแล้วถ้าลูกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้โยมจะเอาไหมเอาแต่ความจริงลูกให้มาตั้งนานแล้วได้ให้ตั้งนานทำไมโยมไม่เอา อยู่แม่ร้องไห้เลยนะ <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาชวนยูแม่ไม่ยากเลยนะมาปฏิบัติตลอดก็อยู่แม่ก็เลยอาศัยธรรมะการปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ก็ขึ้นมาปฏิบัติอยู่ที่วัดทำตามหน้าที่อย่างนี้ก็สุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของชีวตัวเองว่าเราเป็นหนอนเนื้อเชื่อไข ข, ของบัณฑุทุก ทุกคนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับมรดกทั้งดีทั้งชั่วจากบพันบุรุษเราก็อาศัยคําสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาชําระศาสตรสังในส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มภูในส่วนที่ดีเพื่อที่จะพาจิตวิญญาณของบรรพุทุกคนที่อยู่ในเราเนี่ยให้ไปสู่ความบุดพ้นด้วยกันเราก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดรับกรรมวิบากกรรมต่างๆ ต, ต, ต่อไปขอให้ญาโยามทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานในวันนี้จงกลับไปภาวนา ด้วยวิธีการหัวเทียนจะมากจะน้อยก็ตามก็ขอให้ทําทุกวันวันละหนาทีสิบนาทีอแตมาต่างหลังจากที่ได้ใช้วิธีนี้ทําตัวเองให้พ้นทุกพ้นปัญหาแล้วก็วกไม่เคยละแม้ตัวเองจะรู้แล้วก็ตามแต่ก็ทําเพื่อที่เป็นแบบอย่างและแบบแผนแก่อนุชนรุ่นต่อไปเหมือนเร า, าทํานาได้ข้าวมาแล้วเร า, เาไปขายแล้วก็ยังเก็บพืชพันธุ์ ข้าว เ, เปลือกเอาไว้เพื่อที่จะว่เป็นข้าปลูกในในฤดูกาลต่อไปชั้นดีชั้นใดก็ดีเราพ้นทุกข์ด้วยอํานาจของปรมัตาแต่เราก็ต้องรักษาสมมุติเอาไว้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่คนที่ยังไม่รู้ได้เข้ามารู้เรื่องนี้ดังนั้นเองญาติโยมทั้งหลายที่มาในงานนี้ก็ข อ, ขอใหอ้กลับไปฝึกฝนวิธีการปฏิบัตินี้กับครูบาอาจารย์ที่เรารู้จัก แล้วก็หนังสือเล่มที่แจกวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นไกด์เป็นแนวนําให้ไปอ่านให้จบเราก็จะได้วิธีการที่เข้าใจในหลักการของพ่อเทียนได้โดยไม่ยาก ก็ขออนุโทนาสาธุในพระคุบอาจารย์ทุกท่านที่มาจัดงานนี้ให้แล้วก็ขออนุโมทนาญายมทุกท่านที่เดินทางมาจากที่ต่างๆก็ขออภัยในความยุ่งยากลำบากที่แรกไปจัดตนเช้าแต่ฝนตกซึ่งเป็นวันที่อามาเกิดก็ลักษณะเดียวกันนี้เท่าที่พิจารณาดูช่วงเช้า ฝนตกเนี่ยมาก็เกิดในช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเลิกอันนี้ออกมาในช่วงบ่ายโมงโยมแม่เนี่ปวดท้องอคลอดมาตั้งแต่ตีสี่มาก็เริ่มต้นปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่มาถึงในช่วงหลังเที่ยงพอคลอดแล้วก็ออกมาพบ ก, กับท่านทั้งหลายตามเลิกที่ยมแม่ได้เกิดเรามานั่นเองก็ขอให้ บุญบุารมียธรรที่ได้สร้างสมมาหรือกระผมได้ปฏิบัติมาก็าเป็นเพ ร, ราะปัจจัยส่งเสือไม่ท่านทั้งหลายมีศรัทธามีปัญญาและความเพียรสามารถที่จะขจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาวรรนต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าค่อยสู่พระนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านทืล เาเที่ยวการาบ พ, พ ร, ะระพร้พอมกันก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทธะพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอะภิวาเท